เมตตาธรรมของหลวงตาหลายคนที่อ่านหนังสือหลวงตาจบและจะกล่าวว่ายังมีพระอย่างหลวงตาอีกหรอหนังสือถูกกระจายออกไปสู่ผู้อ่านหนึ่งหมนันเล่มแทรกสอนเข้าไปในที่ต่างๆและหลายคนยังไม่เคยได้รับรู้เรื่องราวของหลวงตาแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องหลวงตารวบรวมทองคำเข้าคลังหลวงในนามพระป่าช่วยชาติบ้าง ก็ยังทำใจให้ยอมรับไม่ได้ไม่ต้องการให้ท่านเป็นพระการเมืองนักการเมืองกล่าวโจมตีท่านอยู่ตลอดมาแม้แต่ในจังหวัดอุดรธา น, นีก็ยังมีผู้คัดค้านการทำงานของท่านทั้งๆ ท, ที่จังหวัดอุดรเป็นจังหวัดที่ท่านทำประโยชน์ให้มากที่สุดตั้งแต่การสร้างสถานีรถไฟสภานลอยข้ามถนนโรงพยาบาลโรงเรียนและอื่นๆ อ, อีกมากมายหลวงตามุ่งไปที่การพัฒนาและดูแลรักษามนุษ ท่านทุ่มเทให้ทั้งหมดเมตตาของท่านไม่มีประมาณท่านให้จนติดลบเพราะค่าใช้จ่ายที่บุคคลต่างๆหน่วยงานต่างๆขอมามันเกินกว่าเงินในบัญชีท่านทุ่มเทให้กับทุกเรื่องที่รับไว้จำทุกเรื่องได้อย่างแม่นยำแม่หลวงตามีอายุมากขึ้นจนเกือบแปดรอบแล้วท่านก็ไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆในการต้องมาดูแลปรนิบัตท่านท่านยังเดินตัวตรง แม้จะช้าลงกว่าเดิมหากทาตขันอํานวยท่านก็จะเดินทั่วทั้งวัดตรวจตราทุกอย่างด้วยตัวท่านเองหากใครโชคดีไปวัดในช่วงเวลาที่ท่านเดินตรวจก็จะเห็นภาพท่านสองมือไผ่หลังเดินตรวจไปเรื่อยเป็นภาพที่งดงามนักตามเส้นทางก็มีเจ้าหน้าที่และพระคอยดูแลท่านอยู่ห่างหากวันใดท่านเดินไม่สะดวกหรือเหนื่อยจากการเดินทางไปเยี่ยมโรงพยาบาลและวัดต่าง ท่านก็นั่งรถตรวจรอบวัดทั้งข้างนอกและข้างในกำแพงปัจจุบันวัดมีเนื้อที่มากขึ้นจากที่แต่แรกมีเพียง160ร้ไร่เศษบัดนี้มีเพิ่มเป็น 300-400 ถึงร้อยไร่แล้วสระ ด, ด้านนอกกว้างขวางใหญ่โตสามารถจุทั้งพระทั้งคนได้เป็นพันๆที่จอดรถก็ว่ากว้างใหญ่แล้วก็ยังไม่พอรับรถที่เดินทางมาใส่บาตรในวันสาคัญสาคัญได้ โดยเฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ผู้คนจะมากันจากทุกสารทิศแน่นขนาดทั้งคนและรถทุกคนล้วนใจจดใจจอ่อที่จะมากราบท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว